ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระศัสนาไทยขอโอกาสลมพระกลมพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัตธรรมีทุกท่านาจะเลินทำไอชีนะอยากจะทำทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทธรรมจักกับอวัตนาสูตรไปนะะบทนี้มีความสำคัญมากเลยนะเป็นการประกาศธรรม ครั้งแรกของพูุ้ทธเจ้าที่ป่าอีสีพัฒนามลึกขายวันปัญจวคีปัญจวคีนี้เดิมมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยที่ยังบำเพ็ญอยู่เป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพูุ้ทธเจ้าได้แน่นอนนะเพราะว่าได้ขณะนั้นก็กำลังอดอาหารอยู่ แล้วก็ยูดยีก็กลับมารับประทานอหาญเก่านะอพ ญ, ญวคีก็เลยหนีมาอยู่ที่ปลายสิปัตตานีเลือกอชา ย, ยวันนี่แหละแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็พิจารณาผู้ที่จะรับฟังธรรมในครั้งแรกก็พิจารณาไปถึงอุทกธกดาบทและอาลาตะดาบทเพราะเป็นผู้ที่ สามารถที่จะฟังธรรมและบรรลุได้เร็วแต่ก็ทรงพิจณาเห็นว่าทั้งสองเนี่ยก็ถึงแก่ความตายไปเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็เลยพิจณาต่อมาว่าผู้ที่สมควรจะฟังธรรมต่อมาก็คือปัญญวคีนั่นเองก็เลยทรงสเสด็จไปนะไปโปรดเพราะนั้นในขั้นแรกนะก็ถึงเป็นการแสดงธรรมเพื่อแก้ทิฏฐิ ของปัจจุบันก่อนนะก็คือว่าส่วนสุดตรงสองข้างนะคืออนะการมาสุขาริการโยกซึ่งในสมัยอินเดียในสมัยนั้นนะก็มีความคิดอย่างนี้ว่านะเราควรที่จะเสพการไม่เต็มที่นะนะเมื่อเสพกา ร, รเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะได้เบื่อหน่ายนะจากกา ร, รมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะก็ได้ทรงแสดงว่าเออ การมาสุ ข, ขัารลีการในโยกนี้ก็ไม่ใช่หนทางแห่งการบรรลุธรรมและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือทรงสแสดงอัตตกิเลสมัธานุโยกนะว่าเพราะในสมัยนั้นคนเดียนี้ก็นิยมการบำเพ็ญต่างๆที่เป็นการทุกขรมานตัวเองมากมายนะมีการนั่งนอนบนหนามั่งยืนขาเดียวบ้างมองดวงอาทิตย์ หรือไม่ก็กำ ม, มือจนอเล็บทะลุหลังมือเป็นต้นบทอาหารต่งตางๆเนี่ยเห็นว่าเป็นทางถ้าหากว่าทําเช่นนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการ่าทําทให้อ่าตัวเองเนี่ยเป็นการใช้กรรมนะแล้วก็เป็นการทําให้พอใจอ่าแก่พระผู้เป็นเจ้าต่างๆเหล่ า, า, าลนี้นะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยการพัฒนาตัวเองต่างๆนี่แหละอาจจะเป็นพระหรหันต์ได้นะ แต่พระเจ้าก็ชีวช้ว่าเออมันไม่ไม่ใช่หนทางนะสองทางเนี่ยมันจะไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์มันจะต้องดําเนินไปในทางสายกลางอทางสายกลางก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาอก็คืออมัชมีองค์แปดนั่นเองนะแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี่มีความสําคัญไปอย่างยิ่งนะ ก็คือจริงๆแล้วอริยสัจสีนี่ก็เป็นหัวใจของพระศาสนาเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงลำพึงว่าเออเพราะเราไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองจึงได้หลงเวียนว่ายตายเกิดในวัตถุสารเป็นเวลายาวนานอาริยสัจสีก็เริ่มต้นด้วยทุกข์ทุกข์ก็มีความทุกข์กายและทุกข์ใจนี่แหละะ <M'> <sociology> จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยนะมีแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ บางทีเราจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะได้จริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนานี่สอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นเลยทุกข์ก่อนทุกข์ก็มีเนี่ยความที่เรานประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ผลัดผ้าอยากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ประสงค์สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกขนะ์รวมทั้งทุกข์ต่างๆที่จอนมาอีกมากมายนะก็คือกายและใจเองเราเนี่แหละกายเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความทุกข์ประจำสังขารนะแล้วก็ทุกข์ที่จอนมานะก็เช่นความหิวความง่วงความกระหายความปวดเมื่อยเย็นร้อนต่างๆนะ สิ่งเหล่านี้ก็จรมานะแต่สิ่งที่จรมาเหล่าเนี้ยเราสามารถแก้ได้แต่ก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเช่นเราหิวเราไปารับประทานอาหารก็หายแต่เดี๋ยวก็หิวใหม่ะเราง่วงก็ไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงใหม่เราปวดเมื่อยลุกขึ้นมายืนเดินเดี๋ยวก็ต้องกลับมานั่งใหม่นะก็คือแก้ได้ชั่วคราวเพรา ะ, ะนั้นทุกในทางกายนี่จริงๆเราแก้ไม่ได้นะก็แค่บรรเทา ความทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นในทางใจมีมากมายความทุกข์นทางใจนจริงๆแล้วแสดงให้เราเห็นในอารมณ์ต่างๆอารมณ์เสียใจความไม่พอใจความรักความชังความเกลียดความโกรธความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเศร้าความเครียดความเหงา ความกลัวต่างๆแล้วเนี่ยเป็นความทุกข์ทั้งหมดนะในความทุกข์ทางใจในจริงๆแล้วแก้ได้ไหมความทุกข์ในทางใจในจริงๆแล้วสามารถแก้ได้นะเหมือนกับพระอาหนเนี่ยแหละท่านก็แก้ความทุกข์ทางใจได้เด็ดขาดแล้วนะแต่ความทุกข์ทางกายเนี่ยก็มีความทุกข์ทางกายไปเท่านั้นเองแต่ทางใจท่านก็แก้ได้แล้วนะเพราะนั่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเราแก้ความทุกข์ในทางใจนี่แหละ ซึ่งสามารถที่จะแก้ได้นะครา้นี้นะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรนะคนเราที่เห็นความทุกข์นี่ชื่อว่าเราสามารถที่จะมีโอกาสก้าวออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะออกมาไม่ได้เลยนะก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมเขาถามว่าจะมาปฏิบัติทําไมก็บอกว่าเออปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลง เขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะก็คือคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้นั่นแหละเขาจึงไม่หาทางที่จะพ้นจากความทุกข์กันนะเพราะความทุกข์นี้นะมันเกาะกินทุกคนอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนเนาะนอนอยู่ในพระราชวังนะนอนอยู่ในคลื่นหดก็มีความทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเห็นความทุกข์นี้ให้ได้ก่อนนะ ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์จริงๆเราก็จะไม่กล้าออกมาที่จะปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอนนะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ก็อยู่ประสาสามฤดูอมีความสุขมากนะแต่ท่านก็เห็นความจริงอตรงนี้ว่าเออคนเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยท่านก็เลยดิ้นรนออกมาสแสวงหาความพ้นทุกข์จนได้เป็นพระลมาศาสดา์สู้ของพวกเรา <c oughs> ความทุกข์นี้นะเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้อง รู้นะเ네นี่ยความทุกข์เป็นสิ่งเราต้องรู้นะเราต้องรู้จักความทุกข์เห็นความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างไรรู้จักความทุกข์ขณะนี้อย่างที่บอกแล้วความทุกข์ก็คือออกมาในรูปแบบลมต่างๆนะก็คือเรารู้จักเอขณะนี้เราโกรธเรารักเราชังเรารู้ทันไหมนะรู้ทันก็คือเรารู้อารมณ์ก็คือเรารู้จักความทุกข์นั่นเองะ ต่อมาก็คือสมุทยัยสมุทัยก็คือเหตุสาเหตุแห่งความที่เกิดทุกข์ทั้งหลายสมุทัยมีอะไรบ้างนะสมุทัยก็คือยาหยังตันหาโปโนโภวิคานันทิลาคะสหคตาตตระตัตราพินันทินีโสเยติทางกามทันหาพระวะตันหาวิภาวตันหาสมุทัยก็คือ <c oughs> ความที่เราหลงเพลิดเพลินกําหนัด ไปในลมต่างๆนั่นเองนะนันทิราคะก็คือการที่เราเพลิดเพลินกับหนัดเป็นลมต่างๆซึ่งก็ได้แก่การมตัณหากามตัณหาก็คื อ, อเราก็มีความยินดีพอใจในรูปลดกลิกก่นเสียง <c oughs> สัมผัสต่างๆหรือวความนึกคิดไปในรมต่างๆนี่แหละเป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่นะ บางทีเราเป็นนักปฏิบัติเราก็อยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะได้สติสมาธิปัญญาต่างๆอันนี้ก็เป็นเพราะวตัณหาเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นความอยากที่ก่อให้เกิดการดิ้นรนในทางใจเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องวางเอาไว้พอสมควรนะบางทีหลวงพ่อหลวงประเทีย น, นก็บอกว่าอยาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติไม่ใช่เพื่อตัณหาแต่ว่าเพื่อความฉันทะในการที่เราพอใจจะปฏิบัติ นะส่วนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรให้ระาวาังใจให้ถูกก็แล้วกันนะตรงนี้ยเราก็วางใจให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ยอยู่เยอะเลยทั้งการมาตั้หาแล้วเพราะว่าตั้หาเนี่ยมีเยอะมากเราจรึงวางใจไม่ได้ในการที่เราจะอะรู้เฉยเฉยในอารมณ์ต่างๆนะไม่อยากไม่ไม่อยากเป็นเนี่ยมันก็เลยอทําตรงนี้ได้ยากนะแต่ระวังใจได้ถูกต้องเราจะรู้สึกว่ากาปปรปฏิบัติธรรมเนี่มันง่ายเนาะ อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้วก็วางไปไม่ต้องดิ้นรนในทางใจเกินไปแต่เราก็แบบด้วยความพึงพอใจไม่เชื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะให้บรรลุเร็วๆหรือว่าต้องได้อะไรเร็วๆนะซึ่งมันก็เราก็ไปลงกดตัณหาอีกแล้ววิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรเป็นความปฏิเสธซึ่งมันตรงกันข้ามเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้เฉย แล้วก็ไปผักไสเข้าไปอีกนะอการผักไสออกไปก็คือเป็นวิพ า, าวตันหานั่นเองนะก็เป็นตันห์ชนิดหนึ่งสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องละนะก็ต้องคือต้องละตันหาเหล่านี้แล้วแหละนะตันหาก็มีเนี่ยก็นี้สามอย่างนะอ่าเป็นสิ่งที่เราต้องละนะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะเพราะตันห์วันนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด อารมณ์ต่างๆตามมานะนะเช่นเราอยากได้สิ่งอะไรนะพอเราไม่ได้เราก็ไม่พอใจก็มันจะตันหานั่นแหละความไม่พอใจหรือความก็เกิดจากความอยากนั่นเองนะเราก็ต้องละไปในสมุทัยในตรงนี้ให้ได้ต่อมาก็คือนิโรดนะี่โรตก็คืออความดับทุกข์นะก็คือทุกขนิโรดนะนิโรคือความดับทุกข์ น, ะขนิโ ร, นะโรก ก, โรก็คือการดับทุกข์ คร น, นี้ดับทุกได้อย่างไรนะเมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วว่าการดับทุกนี้ก็มีอเษสวาลาคานเนโลโทจาโคปนิสสะโคมุตติอนาลโยนะทุกทั้งหลายนี่นก็เกิดจากการที่เรามีตัณหาเป็นหลักนะเมื่อเรามีตัณหาเราก็ต้องเวลาค า, าไปนะเวลาคะก็คือการทำให้ตัณหานี้จางคลายลง คลายออกจากตัณหาก็คือเวลาคะนิโรโคนิโรโทรก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาจาโคก็คือการสลักออกของตัณหาปฏินนสัคโคคือการสลักคืนของตัณหามุตติกือการปล่อยการวางของตัณหาอนารลโยคือการทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยเนี่ยตัณหาก็จะอยู่ในใจเราไม่ได้ก็เกิดจากการที่เราคลายออกนั่นเองนะการคลายออก การปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะทุกๆอย่างในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะต้องมีการคลายออกหรือว่าเป็นวิเวลาคะคือการคลายคลายออกจากตัญหานั่นเองเมื่อคลายออกจากปัญหาติดก็จิตก็จะได้มีความปล่อยการปล่อยวางเกิดขึ้นก็คือมุตติแล้วก็นารายโยทําให้ตัญหาไม่มีที่อาศัยเพราะไม่มีที่ใสเนะื้ออุปทานก็หมดไปนะความยึดมั่นถือมั่นต่างๆก็หมดไป รวมทั้งความเป็นตัวตนทั้งหลายก็หมดไปด้วยเพราะนึกเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าเออเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยวางได้ไหมจิตมีการคลายออกจากปัญหาได้ไหมมันจะเป็นการที่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือนะมันจะเป็นการตรงกันข้ามกับที่เราจะไปเอาอะไรกับเขาเพราะการเอาก็คือตัญหานั่นเองแต่สิ่งตรงข้ามกับตัญหาคือการดับการปล่อยการวางการจางคลายออก ของปัญหาทั้งหลายคราว น, นี้นี่ลอยก็เป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งะต้องทําให้แจ้งต่อไปนะก็ก็คือทุกขนาา์นิโรธคาม่มีปฏิปทาก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้แก่มรรคมีองแปดนั่นเองะมรรคมีองแปดมีอะไรบ้างนะก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อน สัมมานิธีนี้นะจริงๆมีอยู่หลายประเด็นนะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มในการที่เราสามารถเข้าใจในตรงนี้วา่ารูปนามคือกายและใจนี้ไม่ใช่ของเราให้ได้นะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะมันจึงเริ่มต้นในสถถัมมานิตตรงนี้ให้ได้ว่าต้องเห็นความจริงในตรงนี้ด้วยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ของเราพอมันเข้าใจในตรงนี้แล้วมันก็จะได้ไปเข้าสู่ ซึ่งสักายติทิที่เราสามารถที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่ให้ได้เพราะว่าสกายติทินี้เป็นเบื้องต้นหรือเป็นสัญญาตัวแรกที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะต้องละสกากยติทิคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้แหละและวิจิิจฉาคือความรังเลยสงสัยต่างๆแล้วก็ศีลปัสสาปรามา คือการยึดมั่นถือมันในาศาสตร์พดผิดๆนะเช่นยึดถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระตไตรเนมาเริ่มต้นด้วยสักกิฐะนี้นะพอเราเข้าใจใตรงนี้แล้วสิ่งอื่นมันก็ง่ายแล้วล่ะใช่ไหมแต่ถ้ า, าไม่เข้าใจในี่มันก็ยากนะหรือสมาธินี้ก็มีหลายความหมายนะอ่าก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะไม่เชื่อในความที่อเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เชื่ อ, อในอ่าบาปบุญคุณโทษ ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมนะเพราไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เราก็ไปทํากรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อในตัวนี้เราก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลเหมือนกันนะลองดูเราไม่เชื่อในเรื่องว่าอชาติหน้ามีจริงนะบาปกรรมมีจริงกฎๆๆๆแห่งกรรมมีจริงเราก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะไม่รู้ว่าจะไปบัติไปทําไมนะเออไปบัตรแล้วหรือไม่ไปบัติมันก็มีค่าเท่ากันตายแล้วก็มีค่าเท่ากันมันก็ไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติจริงๆนะ ว่ามสมาธิินี้จึงเป็นข้อแรกในการที่จะอดําเนินไปในสู่มรรคองค์อื่นต่อไปเพราะว่ามีมีความเข้าใจตรงนี้แล้วจะมีกําลังในการที่เราจะก้าวไปในมรรคองค์ อ, อื่นแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่มีกําลังที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นในมรรค ข, ข้อที่สองก็คือสมาสังกัโปโตคือความดําำริชอบหรือความอคิดชอบอต่อมาก็คือสมา วาจา <c oughs> มีการเจรจาชอบอต่อไปก็คือสัมมากรรมโตนะก็คือการทําการงานชอบสัมมาอาชีโบมีอาชีพชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติคือมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิก็คือมีจิตตั้งมั่นชอบก็คือไปตามมรรคมงแปดนี่แหละ มักเมืองแปเนี่ยคือจึงเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกนั่นเองนะก็โดยสรุปก็คือมีอ่ศีลนะศีลสันนะสามมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชีโวนี่ก็คือศีลสมาธิก็คือสัมมาสตินะสัมมาสมาธิอแล้วก็อความเพียรชอบด้วยสัมมาวาโยามโม่ด้วยนะ ปัญญาก็คือสมาธิฐิและสมาสังก ป, ปก็คือความเห็นชอบแล้วก็มีดํำริชอบเนี่ยก็มีครบเลยศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นหนทางความพ้นทุกข์มักมีองค์แปดนี้ก็คือเราจะต้องทําให้เกิดนะทําให้เกิดก็คือเรามาทําความเพียรตรงนี้ให้เกิดอ่าศีล ส, สติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกุศลทั้งหลายก็จะน้อยลงนะน้อยลงแล้วก็ค่อยๆดับไปนะเพราะเราสามารถที่จะ มีจิตที่มีจิตใจที่มีความตั้งมั่นนะเข้ามาเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วออกจากอารมณ์ต่างๆไดนะ้แล้วก็เข้าใจในเรื่องรูปเรื่องนามนะว่าขันหานี้ไม่ให้ตัวไม่ให้ตนของเรานะเห็นสภ า, าวะความเกิดตั้งอยู่ดับไปนะของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็มีหลายอย่างนะเริ่มแต่กายเป็นต้นเราก็เห็นถึงสภาวะที่มันไม่เที่ยง กายนีนมีความไม่เที่ยงหลายอย่างนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะวันวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาอยู่เรื่อยๆนะกายเรานี่นะนะเริ่มตั้งแต่ที่ว่าเออมีความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะอ่าเราเอาเรานั่งเดี๋ยวเราลุกขึ้นอาการที่มันนั่งมันกะ็ดับไปนะอ่าเราเดินนะที่เรายืนก็ดับไปอ่าเรานอนอ่ที่เรายืนก็ดับไปหมดนะ มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะหรือแม้แต่เรายกมือแล้เราเห็น อ, อ, อาการที่มันเคลื่อนไหวมันก็คือความเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยมันสามารถที่เห็นได้ตลอดเวลาในความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการของกายนี่แหละส่วนการของใจนะก็เห็นได้ชัดเจนนะความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะความพอใจความไม่พอใจความรักความชังทั้งหลายจริงๆเขาก็เกิดขึ้นเขาเองอยู่แล้วนะ อเกิดเขาเองอยู่แล้วแล้วเขาก็ดับของเขาเองไปเองอยู่แล้วนะเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเขาเองอเราก็อย่าไปนึกว่าเขาเกิดเพราะฝีมือเราเขาดับเพราะฝีมือเราเพราะมันจะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาะบางทีเราอยู่เฉยๆนี่แหละไม่มีใครเข้ามาทําอะไรเราหรอกไม่มีใครเข้ามาด่ามาว่าเราบางทีแค่เราเห็นคนเดินผ่านไปเราก็ไม่พอใจแล้วหรือบางทีเราเห็นใครเออเขาดีกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาหล่อกว่าเรา เขาเก่งกว่าเราเราก็อิจฉาเขาแล้วนะจริงๆเขาไม่มาทําอะไรเราเลยแต่ว่าเราเนี่ยมันอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้นะเพราะว่าความที่เราเนี่ยรู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อย่าไปเพลินในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะอย่าไปเพลินเอ้อคนนี้ทําไมแย่จังเลยนะคนนี้เร็วจังนะคนนี้เข้ามาว่าเราคนนี้ก็้ามาด่าเรา สิ่งเหล่านี้เป็นความเพลินอารมณ์ถ้าเราเพลินอารมณ์ก็มีความทุกข์ในตรงนั้นเองนะอย่างที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วว่าอพิจูตทั้งหลายเธออย่าไปเพลินในอารมณ์ต่างๆอย่าเพลินในรูปไม่เพลินในรถเพลินในกลิ่นะเพลินในเสียงอ่เพลินในโผดถัพทะคือความสัมผัสในทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเพลินในธรรมอารมณ์คือความเพลินในความคิดและอารมณ์ต่างๆ ผู้ใดเพลิดเพลินไปในสิ่งเหล่านี้เราชื่อว่าเป็นผู้เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นจกักไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เนี่ยก็คือไม่มเพลิดเพลินในลมต่างๆนะเมื่อมีรมต่างๆเกิดขึ้นนะเขาจริงๆเขาเกิดเขาเองนะแต่เราก็อย่าไปเพลินก็คือเรารู้ทันให้ไวก็แล้วกันนะการรู้ทันให้ไวก็คืออะไรก็คือเราสามารถระลึกได้นะเมื่อเราระลึกได้แล้วเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ดับไปได้เองอยู่แล้วนะ แต่ถ้าไม่ไม่ดับแล้วก็ใช้ยังบางอย่างช่วยนะเช่นกลับมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวปุ๊บมันก็ดับไปเพราะามันตัดจัดอารมณ์มาเป็นความรู้สึกตัวแทนเพราะจิตคนเราเนี่ยมันสามารถรู้ได้แต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเขาเรียกว่าเกิดดับแต่ละขณะนะในขณะที่จิตไหลไปในอกุศลคืออารมณ์ปุ๊บเนี่ยเมื่อจิตกลับมารู้สึกตัวก็คือกุศลจิตเนี่ยอารมณ์ที่เปเอาอกุศลก็จะดับไปนะ เพราะนั้นถ้าใครมีอารมณ์แรงๆนะอออกมาไม่ได้ก็กลับมารู้สึกตัวให้แรงๆนะอยู่ที่ความรู้ตัวแรงๆมันก็จะดับไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครที่อารมณ์นะเบาๆนะเราก็รู้เท่าทันมันก็ดับไปได้เนะี่ยแสดงว่าเราก็สติเราก็ใช้ได้แล้วนะมันจะเริ่มไป็นอารมด้ม า, มากขึ้นแล้วเนะี่ยเพราะมันก็คือการที่เราสามารถตื่นตัวกับสติได้ไหมสติเนี่มันจะเป็นลักษณะทีงว่าเมื่อเราปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเนะี่ยมันจะกลับมาดูตัวเองได้ มันกลับมาสามารถที่จะสังเกตตัวเราเองนะการสังเกตตัวเราเองมันจะทําให้จิตมันตื่นตัวแนละ้วมันจะ ร, รู้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะรู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของกายรู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของจิตนะอการรู้เท่าทันอาการต่างๆเราเนี่ยมันเป็นความที่ตื่นตัวของจิตะมันจะทรงอยู่ในสภาวะนี้ได้อยู่ในระดับหนึ่งะ ถ้าเรามีความตื่นตัวมากนจิตก็จะว่องไวมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะมันก็ว่าเราเออรู้เท่าทันความคิดเล็กๆน้อยก็รู้เท่าทันนะถ้าเรารู้เท่าทันในสิ่งเราเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จะเกิดกับเรายากแล้วละ่ะใช่ไหมเมื่อเมื่อก่อนเพอเรารู้ไม่รู้เท่าทันนี่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราเค่อยรู้ทันเออคนก็ามาดา่ารบเราโกรธปุ๊บบางทีก็ด่าเขากลับเลยนะมนันไวมากเลยความโกรธเนี่ยก็มันเกิดเร็วนะเกิดเร็วมากอันนั้นแสดงว่าเราก็ยังรู้ไม่เท่าทันนะเราจะเป็นปุถุชนอยู่นะ แต่ถ้าเรามีความว่องไวของจิตแล้วเออข้ามาดา่าแล้วปุ๊บเราจะเริ่มสังเกตได้แล้วล่ อ, อขณะนี้เรากําลังหงุดหงิดนะกําลังขัดเคืองกาลังไม่พอใจนะพอสังเกตปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้ดูทันทีเลยมันไม่ไม่เป็นผู้เป็นแบบสมัยก่อนเมื่อก่อนเราเป็นผู้โกรธพอหลังเราก็เริ่มกลายเป็นผู้ดูไปละเ อ, อผู้ดูผู้ดูความหงุดหงิดดูความโกรธไปพอเป็นผู้ดูปับ๊บเนี่ยความโกรธมันค่อยๆจางหายไปเลยนะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงเนี่ย เพราะเราก็ไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธนะเพราะเราเริ่มที่จะกลับมาสังเกตจิตเราเองได้เร็วนะตรงนี้ก็คื อ, อความที่ประโยชนนะ์ในการที่เรามาฝึกสติหรือความความรู้ส่ว ท, ทั้งหลายแหล่นะมันก็กลับมารู้รู้ตัวได้ไวขึ้นเนะี่ยตรงนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะเพราะนอกจากความโกรธก็ ค, คืออารมณ์ต่างนั่นเองนะแล้วก็สังเกตอารมณ์ต่างๆเรานี้ได้เร็วการที่เราสังเกตอารมณ์ต่างนี้ได้เร็วก็คือเรารู้ทันรู้ทันก็คือเรารู้นะ ร, รู้จักทุกนั่นเองนะ รู้จักทุกนั่นเองเนี่ยพอเรารู้จักทุกแล้วเราก็ก้าวออกจากความทุกได้ะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็ไปจมในความทุกนั่นแหละนะพะมันคนเราในจึงจมในความทุกตลอดเวลานะอความทุกในจริงจริงมันไม่ได้ว่าเราจะไม่จมกับเขาเลยแต่เรารู้ไม่ทันก็ไปจมกับเขาใช่ไหมแต่เรารู้ทันนี่เราออกจากเ ข, ขาได้สบายมากเลยนะพระหลวงมาเทียนก็เลยบอกว่าเออผู้ดใดที่มาปฏิบัติวิธีหลวงมาเทียนนะเขาบอกว่าอย่าง อ่ายังเร็วหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอย่งางกลางนะอย่างกลางก็หนึ่งปีนะอย่างช้าไม่เกินสามปีนะก็จะสามารถที่จะอะ่เอาจากความทุกข์ได้หรือความทุกข์ก็น้อยลงนะก็เพราะว่าเรารู้เท่าทันนั่นเองนะเรารู้เท่าทันก็ไม่เป็นผู้ไปเป็นนั่นแหละเราก็เป็นผู้ดูเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่า อ, อย่าเป็นผู้เป็นนะให้เป็นผู้ดูนะ เป็นผู้ดูก็คือเนี่ยเรา ก, กลับมาสังเกตดูได้ไวขึ้นไม่เป็นผู้เป็นอเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะอไม่เป็นอะไรกับอะไรอไม่ไปเป็นอะไรกับอะไรในสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งเหล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราประสบมาแล้วนะเราก็สังเกตในตรงนี้ให้ได้เนะี่ยความทุกข์เราก็จะค่อยๆน้อยลงเองนะเราจะมีชีวิตที่สุขใสขึ้นนะแต่ก็ไม่เชื่อมันจะหมดไปทีเดียวนะเออไม่ใช่เพราะเราสังเกตแล้วกินะเลสต่างๆ ม, มันจะหมดไปนะมันอาจจะไม่หมดไปหรอก อันนั้นก็คือเรื่องธรรมดาของเขาแต่เราจะไปสนใจเขาจะไปให้ค่าอะไรกับเขาก็แล้วกันนะจะไปมีความทุกข์ว่าเราไปบำเพ็าตั้งนานแล้วทําไมกิเลสจะไม่หมดทำไมยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะไม่จําเป็นหรือทําไมไม่เห็นรูปไม่เห็นนามอนะทํำมยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่จําเป็นนะแค่เราสามารถสังเกตได้ออกจากความทุกข์ไดใ้ในแต่ละครั้งก็ใช้ได้แล้วนะ เพราะการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะบางทีเราอาจจะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆสามารถที่จะบรรลุธรรมในคืนวันเดียวนะวันรุ่งขึ้นไม่มีกิเลสเลยเหนะมือนกัพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือโลกทลายลาบเรียไปน้ากองอย่างนั้นเออทำไมเราไม่ถึงแบบนั้นสักทีหนึ่งเนาะเราก็หมดกําลังใจรู้สึกว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยการละ ก, กิเลสเป็นอย่างนี้ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดไปว่าการที่เราจะกิเลส ของเราสามารถละได้นะโดยวิธีการนี้ก็คือเหมือนกับช่างไม้เนะี่ยที่ใช้ใช้มีดในการทำการ ก, การปีมือนะเราไม่รู้หรอกว่าด้ามมีดมันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปเราจะเห็นว่าด้ามมีดเนี่ยมันสึกลงไปแล้วนะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่เพราะนั้นกิเลกก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องว่ามันต้องพลิกจากหน้ามือไปหลังมือต้องหมดทันทีทันใด แต่เราสามารถสังเกตได้ไหมว่านะความทุกข์เราค่อยๆน้อยลงนะอนะ ค, ค, ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆมันค่อยๆจางลงนะจากการที่เราเคยโลภมากเคยโกรธมากมันก็น้อยลงนี่หล่ะก็คือการละกิเลสไปตามลําดับซึ่งการละกิเลสไปในตามลําดับนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะเราไปบัดมา ก, กี่ปีห้าปีสิบปีเราสังเกตไหมว่ามันลดลงไปไหมนะอารมณ์ต่างๆจากรุนแรงมันก็เบาลงไปไหมนะ แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเออทําไมเรายังมีความโกรธเท่าเก่าหรือมีความโกรธมากขึ้นนั่งแสดงว่าเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกทางนะผิดทางแล้วก็ได้นะมัาก็ต้องกลับมาสังเกตให้ถูกต้องในตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราลา ก, กิเลยเป็นตามลําดับนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแล้วเราก็จะสังเกตเออเราก็ดีเหมือนกันเนะาะเมื่อก่อนสมัยก่อนเราโกรธเก่งเดี๋ยวนี้เราก็โกรธ น, น, น้อยลงแล้วนะนี่ก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องให้หมดความโกรธไปหรอกนะสิ่งเหล่านี้นะามรรคมีองศาเนี่ย แล้วก็เลียสัตว์สี่ที่รวมในพระธรรม่าพระธรรมจักรกับพระนสูตรที่เราได้สวดไปแล้วนี่คือหนทางที่นำํำให้พวกเราถึงความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ณนะวันเสาร์พวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วก็ขอรัตนาบาลมีคุณพระรัตน์ไตรามาน้อมนําพวกเราให้เจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงถึงความพ้พนทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด t h o u